พวกเทวดาทั้งหลายชอบฟังธรรมะสูตรต่างๆกันท่านอาจารย์องค์นั้นกับท่านอาจารย์มั่นพูดเหมือนกันเกี่ยวกับพวกเทวดาทั้งหลายว่ามีนิสัยต่างๆกันเหมือนมนุษย์เราคือบางพวกชอบฟังธรรมจักกปะปวัตนสูตรบางพวกชอบฟังกรณียเมตสูตรบางพวก ชอบฟังพระอภิธรรมคือกุศลธรรมมาอากุศลธรรมมาที่พระพุทธเจ้าทรงโปรดพระมารดาชั้นดาวดึงสวรรค์บางพวกชอบฟังอปริหานิยธรรมสูตรบางพวกชอบฟังเมตตาพรมวิหารแต่พวกที่ชอบเมตตาพรมวิหารมีมากกว่าที่ชอบสูตรอื่นๆเทวดาต่างพวกต่างขั้นต่างภูมิต่างชอบสูตรต่างๆกันไปตามนิสัยของตนของตน ไม่มีประมาณในสูตรธรรมะทั้งหลายแต่ไม่อาจจะนำมาก่าวไว้ในที่นี้ให้เต็มตามสูตรที่เขาต้องการได้แม้แต่ผู้เขียนเองยังไม่รู้เห็นและเข้าใจในสูตรที่เทวดาทั้งหลายต้องการกันเลยจึงไม่สามารถค้นหาสูตร น, น, นั้นมาเพื่อท่านผู้อ่านได้และขออภัยผ่านไปแบบคนจนตรอกท่านอาจารย์องค์นั้นไปพักอยู่ในที่ใด บรรดาที่เป็นป่าเป็นเขาเทวดาทั้งหลายชอบไปเกี่ยวข้องกับท่านเสมอคล้ายกับท่านอาจารย์มั่นผู้เป็นอาจารย์บางครั้งท่านไปพักกับฤาษีดาบด ท, ที่บำเพ็ญอยู่ในถ้ำเป็นแห่งๆปราศจากผู้คนพลุกพล่านโดยมากก็ห่างจากหมู่บ้านประมาณ45หกิโลเมตรหรือยิ่งกว่านั้นและในเขาลึกที่ไม่ค่อยมีผู้คนสัญจรไปมาเพราะพวกนี้ไม่ค่อยมีการโคจรบินถบาทเหมือนพระกุ้งต้มรับประทานโดยลาพังตนเอง เวลาท่านไปพักกับเขาซึ่งมีถ้ำอยู่ใกล้เคียงกันก็ได้อาศัยบินทบาทกับเขาวันนั้นยูรัสีแกงถั่วมาถวายท่านด้วยความปีติยินดีเป็นอันมากท่านเล่าตอนนี้น่าขบขันมากแต่ขอผ่านไปท่านว่าท่านก็กำลังหิวมากตั้งอ่อนเพลียเพราะเดินทางข้ามน้าข้ามเขามาสามวันแล้วการขบฉันก็ขิมเคี้ยว ม, มากตลอดมาในระหว่างเดินทาง เนื่องจากเดินบุกป่าบุกเขามาพบหมู่บ้านแห่งละสามสี่หลังคาเรือนซึ่งเป็นชาวบ้านที่ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องศาสนาได้อาศัยเข้าบ้างพอประทางชีวิตมาตามทางทั้งเดินทางไกลและขึ้นที่สูงลงต่ำร่างกายจึงอ่อนเพลียมากและต้องการอาหารมากผิดปกติพอฤษีทำแกงถั่วมาถวายก็ฉันเสียจนเกลี้ยงไปทั้งข้าวทั้งกับคือแกงถั่ว ไม่มีอะไรเหลือติดถ้วยติดจานเลยวันนั้นพอฉันลอดแทนที่ร่างกายจะแข็งแรงแต่กลับอ่อนเพลียเข้าไปอีกมีแต่อยากหลับนอนท่าเดียวประกอบกับอาหารฤาษีอร่อยมากด้วยตัวแกเองก็ดีใจมากด้วยเมื่อเห็นท่านฉันได้มากเรื่องจึงเข้ากันได้อย่างสนิทชนิดไม่คิดหน้าคิดหลังอะไรเลยพอเห็นอาการไม่ดีจึงเดินเข้าทางจงกรมทาความเพียรจนกระทั่งบ่าย จึงได้ออกจากทางจงกรมเข้าที่พักภาวนาขณะนั่งทาสมาธิภาวนาจิตสงบลงปรากฏได้ยินเสียงคล้องเสียงกลองของพวกเทวดาที่แสดงความยินดีต่อผลเมตตาที่ตนได้รักจากท่านและยินดีในฐานของฤาษีที่ได้ถวายท่านอาจารย์องค์หิวมากๆนั้นว่าได้บุญกุศลมหาศาลเหลือที่จะประมาณได้พวกเขามีความปีติยินดี และอนุโมทนาด้วยเป็นล้นพ้นซึ่งนานๆจะมีท่านผู้มีศีลมีธรรมเป็นที่น่ายินดีและเคารพเลื่อมใสามาโปรดสักครั้งหนึ่งพวกเขามีความอิ่มเอิบด้วยผลทานนั้นจึงได้พากันมาแสดงความยินดีอนุโมทนาและขอมีส่วนแห่งบุญนั้นจากการอนุโมทนาในครั้งนี้ด้วยดังนี้นี่คือคำของเทวดาทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในเขาลูกนั้น แสดงความยินดีต่อทานของฤาษีตนนั้นโดยผ่านมาทางท่านอาจารย์องค์หิวจัดชันได้มากเพื่อรับทราบเป็นพยานและขอให้ช่วยบอกข่าวสารการอนุมมทนาของพวกเขาแก่ฤาษีนั้นด้วยพอตกตอนเย็นท่านจึงถือโอกาสสนทนาธรรมกับฤาษีตนนั้นและพูดเปรียบเลยให้แก่ทราบโดยปริยายว่าวันนี้ตอนบ่ายอัตมาฝันไปว่า พวกเทวดาจํานวนมากพากันตีคองตีกลองมาขออนุโมทนาส่วนบุญที่ฤาษีถวายจังหันแกอัตมาเมื่อเช้าวันนี้เป็นล้นพลและพวกเขาขอมีส่วนแห่งบุญที่เกิดจากการอนุโมทนาด้วยดังนี้นับว่าคุณฤาษีได้บุญมากจริงๆถึงกับเทวดาทั้งหลายต้องพากันมาอนุโมทนาและขอส่วนบุญด้วย พอรุสีได้ทราบก็รีบยกมือท่วมศีรษะสาธุการแก่เทวดาทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งและกล่าวชมเชยท่านอาจารย์ว่าเก่งมากเกี่ยวกับยานวิถีต่างๆแม้ท่านนอนหลับกลางวันยังสามารถได้ยินเสียงเทวดากล่าวคำอนุโมทนาสาธุการถ้าเวลาปกติไม่หลับท่านอาจารย์องค์นี้จะเก่งแค่ไหนกระผมไม่สงสัยเลยกระผมมีความเคารพเลื่อมใสท่านอาจารย์มากมาแต่ขณะเห็นที่แรก จึงทำอะไรเพื่อท่านด้วยความเต็มอกเต็มใจยิ่งเห็นท่านฉันได้มากก็ยิ่งเพิ่มความปีติยินดีไม่มีประมาณเอาเลยประการหนึ่งเทวดาพวกนี้เขาอยู่ที่ไหนกันถึงได้ทราบว่ากระผมถวายทานแก่ท่านแล้วพากันมาอนุโมทนาและขอมีส่วนบุญจากกระผมด้วยสำหรับกระผมเองทำไมไม่เคยเห็นเข้ามาปรากฏตัวเลยนับแต่มาอยู่ที่นี่จนบัดนี้ท่านตอบว่า นี่เป็นพวกลุกคาเทพเขาอยู่ในที่ไม่ห่างไกลพวกเรานักแหละตอนอัตมาอนุโมทนายธถาสัพพีเมื่อเช้านี้เขายัางได้ยินและสาธุการด้วยแต่พวกเราไม่ทราบเองจึงเป็นเหมือนไม่มีเขาและอะไรอะไรอยู่ในแถบบริเวณนี้หรศีมีความเพลิดเพลินในเรื่องเทวดามาอนุโมทนาทานกับตนได้อาราธนาให้ท่านแสดงให้ฟัง ท่านจึงหาอุบายให้ฤาษีได้ทำภาวนาและท่านเองก็จะได้มีเวลาภาวนาบ้างไม่ต้องยุ่งกับเรื่องภายนอกจนเกินไปจึงพูดกับฤาษีว่าการดูพวกเปรตผีเทวบุตรเทวทิดาต้องดูด้วยตาในคือตาใจการจะรู้พวกนี้ด้วยตาในได้ต้องขยันภาวนาพิจารณาอาการ32ภายในกายให้ละเอียดด้วยปัญญา เวลาทำสมาธิก็ให้จิตอยู่กับลมหายใจหรือบทพุทโธเท่านั้นไม่ให้เผลอไปที่อื่นเมื่อจิตสงบด้วยภาวนาดังกล่าวมาก็มองเห็นเทวดาได้เองไม่ต้องถามผู้อื่นให้ลำบากแต่ถ้าขี้เกียจภาวนาก็ไม่เห็นเทวดาทั้งใจก็ไม่สงบเย็นได้การเห็นพวกเทวดาซึ่งเป็นพวกกายทิพต้องเห็นด้วยใจทิพ คือสมาธิภาวนาเป็นเครื่องมือผู้ไม่มีเครื่องมือดังกล่าวก็ไม่มีทางรู้เห็นพวกนี้ได้พอท่านอธิบายจบลงเขามีความพอใจจะปฏิบัติตามเพื่อรู้เห็นพวกเทวดาดังท่านอธิบายให้ฟังจากนั้นท่านกลาเขาหลีกไปทำความเพียรพอตกกลางคืนดึกๆพวกเทวดาก็มาเยี่ยมท่าน และถามถึงเรื่องฤาษีอยากทราบว่าพวกเทวดาอยู่ที่ไหนและพอใจภาวนาเพื่อทราบเรื่องของเทวดาบ้างโดยท่านเป็นผู้ชี้แจงให้เขาฟังท่านก็ได้ชี้แจงให้พวกเขาฟังตามที่ได้สั่งสอนฤาษีแล้วนั้นท่านไม่ได้พักอยู่กับฤาษีนานจึงต้องลาจากเข้าไปฤาษีตนนั้นรู้สึกเลื่อมใสในท่านมาก มีความอะไรเสียดายไม่อยากให้ท่านจากไป